รู้สึกตัวไว้นะใจฟุ้งซ่านไปถ้าอยากได้มาผลนิพพานก็ต้องฝึกสติของเราให้ดีมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะไม่ไงั้นไม่มีทาง หายใจก็อย่าหายใจทิ้งเปล่าๆใจเราก็รู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ากอรู้สึกไปอย่าใจลอยใจลอยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักปฏิบัติเวลาใจลอยก็คือใจมีโมหะพูุกซ่านไปจิตเป็นอกุศล พระพุทธเจ้าบอกว่าโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่ร้ายแรงที่สุดมีโทษมากแต่พวกเรามองไม่ค่อยเห็นเราก็ปล่อยให้ใจล่องลอยไปไม่เห็นว่าเป็นโทษตรงไหนเราไปดูหมาดูแมวดูพวกสัตว์เดรัจฉานให้ดีวเวลามันอยู่เฉยๆแล้วมันใจลอย มันจะเมื่อเมื่อทั้งวันถ้าเราปล่อยตัวเองใจลอยเรื่อยๆแล้วก็ไปเข้ากลุ่มกับเขาถึงจุดหนึ่งก็ไปเป็นเดรัจฉานยันใจลอยไปหลงไปถือเป็นความย่อหย่อนของนักปฏิบัติเวลาใจลอยมันก็ไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ภายนอก หลงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสโพธะะสิ่งที่สัมผัสกายไปหลงนี้เพราะฉบางทีก็จะเรียกว่าการสุขา ร, ริการวิโยกจิตที่หลงเป็นจิตที่หลงไปในกามย่อหย่อนเกินไปสิ่งที่เรียกว่ากามมากุลอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเอง เวลาเราใจลอยสังเกตโดยคิดก็คิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะมีคิดเรื่องคนโน้นคิดเรื่องคนนี้คิดเรื่องจะกินไั้นนู้นนี่นีน้ก็คิดแต่เรื่องเรื่องของกรมเคยเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆนะว่าเทวดาเคยมาถามพระพระุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามโอคะข้ามกิเลสได้อย่างไร ท่านบอกเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่เราไม่พักอยู่แล้วก็ไม่เพียรอยู่ทเทวดาฟังแล้วงงเทวดาโอ๋เอนี้ยท่านคิดว่าตัวเองเป็นพาระอรหันต์ใครๆจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากั บ, บอกว่าท่านข้ามโอคาข้ามกิเลสได้เพราะไม่พักแล้วก็ไม่เพียร เทวดาก็งงนะเลยถามว่าไม่พักกับไม่เพียรเป็นไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าพักอยู่เราจะจมลงถ้าเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราไม่ลอยเราไม่จมนะไม่จมไม่ลอยทั้งสิ้นบอกเราข้ามห่วงกิเลนได้ด้วยวิธีนี้เทวดาฟังนะเทวดาก็ได้ธรรมะเลย พวกเราฟังแล้วไม่ได้ต้องขยายความต่อไปอีกคำว่าพักอยู่หมายถึงการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตใจไหลาตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งที่พวกเราชอบทํากันนะล่องลอยไปเรื่อยๆพักอยู่คือไม่ได้ปฏิบัติขาดสติใจมันล่องลอยไปถ้าพักอยู่แล้วจมลงหมายถึงอะไร หมายถึงจะไปอาบายไปทุคติอย่างเราใจลอยไปก็ไปเป็นเดรัจฉานที่ใจลอยลอยคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะบางคนคิดเรื่องแฟนเรานอกใจเราอะไรเงี้ยโทรสามขึ้นโกรธแล้วใจควเคล้าเคลียร์อยู่กับความโกรธเรื่อยๆไปตายไปก็ตกนรกตกนรก ถ้าใจล่องรอยไปแล้วก็หลงในเรื่องความชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเลิศเลินพอใจมีราคาก็ไปเป็นพวกเปลกถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก็วไปเป็นอสุรกาย ีเวลาที่ใจเราล่องลอยนะบางทีลอยไปแล้วก็ลอยเฉยๆบางทีลอยไปแล้วก็โลภลอยไปแล้วก็โกรธลอยไปแล้วก็กลัวใจก็ไปทุขติพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราพักอยู่หมายถึงไม่มีสติอยู่เราจะจมลงจะแปลบายถ้าเราเพียรอยู่ทำอะไรเพียรอยู่ เพียนอยู่ก็คืออย่างที่พวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัตินะเราเพียนสิ่งที่เราทำเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะก็คือการบังคับกายบังคับใจอย่างถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราว่านั่งสมาธิเสียพวกเราจะเริ่มเกร็งเรงบังคับร่างกายก็ต้องนั่งท่า น, นี้นะเราเกล็งได้ที่แล้วก็เริ่มบังคับใจทาใจ เครีดเครี ย, รยแข็งแข็งทื่อ ท, ที่ก็น้อมใจให้ซึมซมเนี่ยแต่งใจไปเลยถ้ใจเครียดเคืียดแข็งแข็งแล้วมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานท่านบอกว่าถ้าเพียนอยู่จะลอยขึ้นกําหนดเพ่งไปเรื่อยกําหนดไปอย่างกําหนดท้องพองยุบไปเรื่อยเไปทุกสติไหมไม่ไป เป็นคนดีไม่ใช่คนเลวอย่าไปสุคติแต่ไม่ไปนิพพานเพราะไม่ใช่สติปัฏฐานวิธีจจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่พักไม่เพียงหมายถึงไม่เผลอ ER, แล้วก็ไม่เพ่งเปนที่หลวงพ่อสอนพวกเราสมัยก่อนนะหัดทีแรกเลยฝึกไม่เผลอ ER, กับไม่เพ่งฝึกให้ มีตัวรู้ขึ้นมาเวลาเราเผลอตัวรู้ก็ไม่มีนะมันเป็นตัวหลงเวลาเราเพง่งมันก็ไม่ใช่ตัวรู้เพราะว่าเรากําลังแทรกแซงจิตอยู่บังคับจิตอยู่มันก็เป็นผู้เพง่งผู้เคลื่อนเคลื่อนทำไงจิตเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานวิธีที่ง่ายที่สุดนะก็คือคอยรู้ทัน เวลาจิตมันกลายเป็นผู้หลงไปผู้รู้กับผู้หลงมันตรงข้ามกันเวลาเป็นผู้รู้มันก็ไม่หลงเวลาเป็นผู้หลงมันก็ไม่รู้ความหลงมีได้หกแบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปคิดนึกทางใจ เมื่อไรจิตหลงไม่ว่าจะหลงช่องไหนช่องทางไหนก็ตามจิตรู้จะหายไปนี่การหลงในหกช่องทางเนี้ยช่องทางที่เกิดบ่อยที่สุดคือช่องใจจิตหลงไปคิดเกิดบ่อยที่สุดเราหลงไปคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยหลับแล้วยังหลงคิดเรียกว่าฝันนี่จิตหลงคิดเนี่ยเป็นจิตหลงที่เกิดบ่อยที่สุด จิตหลงอย่างอืง่นหลงไปดูหลงไปฟังอะไรก็ ล, ลองหลงมาถ้าคนตาบอดนก็ไม่ได้หลงไปดูถ้าหูหนวกด้วยก็ไม่ได้หลงไปฟังแต่หลงคิดให้คิดตลอดเลยหลงไปดมกลิ่นเราก็ไม่ได้ดมตลอดเวลานานๆดมทีมีกลิ่นแปลกๆมาถึงจะดมอย่างกลิ่นตัวเราเองเราไม่ดมนะผิไม่ได้รู้สึก รสนะถ้าเราไม่ได้กินอาหารเราก็ไม่ได้รู้สึกรสจริงๆน้ําลายก็มีรสแต่เราไม่ได้ไปสนใจที่จะรู้หลงที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือหลงคิดนั่นคครูบาาจารย์สอนเน้นมาที่หลงคิดเล่นในตัวที่เกิดบ่อยนะจะ ไ, ได้ฝึกได้เร็ว ถ้าเราอยากได้ตัวรู้นะก็ง่ายๆจิตหลงไปคิดแล้ว ร, รู้ทันว่าหลงไปคิดไม่ได้ห้ามนะถ้าห้ามหลงคิดจิตจะสุดโต่งางข้างเพลงข้างอาจตากิลมาฐานยุโย บ, บังคับตัวเองไม่เผลอเลยนะอย่ที่เขาฝึกกันนะจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยรู้สึกตลอดนะ ใ, ใจนี่จะแข็งทื่อเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจะยกเท้าจะย่างเท้าเห็นตลอด ไม่เผลอไม่ขาดสติแต่มันเครียดมันเพ่งอยู่จิตที่เครียดเนี่ยไม่ดีหรอกนะไม่ใช่จิตที่ดีหรอกนี่จิตที่รู้เนี่ยก็เลยไม่เผลอไม่เพ่เพงวิธีที่ให้ได้จิตผู้รู้ก็คือหลงไปคิดแล้วรู้ทันท่านยังไงหลงคิดแล้วจะรู้ได้ขั้นแรกก็จงใจคิดอะไรไปสักอย่างหนึ่งก่อน เช่นคิดพุทโธเวลาเราหลงคิดเนี่ยเราจะลืมพุทโธไปไปคิดเรื่องอื่นเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นความคิดพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นละคิดเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องบ้านเรื่องอะไรตออะไรขณะที่ไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคิดพุทโธไป ยังถ้าเราเคยพุทโธจนชำนาญเนี่ยพอมันลืมคิดพุทโธแป๊บเดียวมจะนึกได้ว่าลืมคิดพุทโธแล้วมันจะรู้ว่าตะกี้นี้หลงเวลารู้กิเลสนะต้องรู้กิเลสตะกี้นี้นะไม่ใช่กิเลสเดี๋ยวนี้นะเมื่อกี้หลงเมื่อกี้โลภเมื่อกี้โกรธเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเมื่อกี้หดหู่ทาไมต้องเมื่อกี้ เพราะในขณะปัจจุบันที่มีกิเลสอยู่เนี่ยจะไม่มีสติกิเลสกับสติเกิดด้วยกันไม่ได้งั้นปล่อยให้กิเลสเกิดก่อนด้วยการที่ปล่อยให้จิตมันทำงานตามธรรมชาตินี่แหละเดี๋ยวกิเลสก็เกิดพอจิตมันไหลไปทำงานนะอย่างน้อยโมหะก็เริ่มเกิดแล้วจิตมันไหลไปมันหลงไปแล้วไม่รู้ว่าจิตไหลไปเราก็มีสติรู้นะเกิดจิต ผู้รู้ที่มีสติขึ้นมารู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดเวลาโกรธก็มีสติขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเมื่อกี้เผลอไปโกรธเวลาโลภขึ้นมาเมื่อกี้เผลอไปโลภหรือเมื่อกี้หลงหลงไปโลภหลงไปโกรธหลงไปคิดนี่นทำกรรมฐานไว้สอย่างนะพุโทโธเป็นความคิดก็ดีทำง่าย ท่องพุโทโธไว้ไม่ชอบท่องพุโทโธจะท่องคําอื่นก็ได้แต่อย่าท่องยาวเกินไปท่องชินบัญชรเ น, นี่ยหลงไปห้าร้อยครั้งแล้วยังไม่จบเลยท่องพุโทโธธรมโมสังโฆอะไรย่างนี้ก็ได้พุธทธังสารนางคัจฉานิอะไรงเงี้ไม่ยาวเกินไปเวลาท่องๆ อ, อยู่แล้วเดี๋ยวใจมันจะหลงไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคําที่เราจงใจท่องจงใจคิด จะเกิดคิดโดยไม่ได้จงใจคิดโดยไม่ได้จงใจคือหลงชิดตัว น, นี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะถ้าเราไม่ผ่านจุดนี้เราอย่ามาคุยเลยเรื่องจะเจริญสติจเจริญปัญญาเลยไม่มีหรอกสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดสมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาต้องสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บนัน สมาธิชนิดเคร่งเครียดปัญญาไม่เกิด mm hmm. ไปดูท้องแล้วก็เพ่งยืนเครียดปัญญาไม่เกิดหรอกได้แต่คิดเอาอย่าคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาคําว่าวิปัสนาคือวิปัสนาปัฏณะว่าการเห็น mm hmm. ก็เห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็นเห็นไตรลักษ นี่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าใจเราไม่เป็นผู้เห็นนะไม่เป็นผู้รู้ผู้เห็นนะมันเป็นผู้หลงแนละ้วทำวิปัสสนาไม่ได้เนันจุดแรกที่พวกเราต้องฝึกนะั้นเพื่อฝึกให้ได้ตัวผู้รู้ที่เข้มแข็งหลวงพ่อฝึกได้ตัวรู้ที่เข้มแข็งมาตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยเจ็ดขวบฝึกกับท่านพ่อรีนะจิตมันเข้าสมาธิร่างกายหายไป เรากลับมามีร่างกายมันรู้เลยกลายกับจิตเนี่ยโคแลนกันจิตกับกายแยกขาดจากกันไม่เคยรวมกันอีกเลยจิตเก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่โดยที่เราไม่ได้บังคับไว้แต่ตอนนั้นไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไงไม่ไปต่อไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตดูจิตมันทํางานไม่ใช่ไปดูตัวผู้รู้เพ่งอยู่นิ่งๆ น, นะ ดูจิตมันทํางานเดี๋ยวจิตก็โรภเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หลงเมื่อกลายเป็นเดินสติปัฏฐานอยู่จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรั้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะคือหลงจิตไม่มีโมหะคือรู้จิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่ไม่มีโมหะ จิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตโหดหูรู้ว่าโหดหูเนี่ยคอยรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ถ้าจิตเป็นคนดูแต่ถ้าจิตมันมีราคะเสียเงมันมองอะไรไม่เห็นแล้วถ้าจิตมันมีโทสะเสียเงมันไม่เห็นอะไรครับถ้ามันจิตหลงเสียเงมันไม่รู้อะไรหรอกเมื่อหลงหลงไปงั้นมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ะจิตผู้รู้เนี่ยไม่เผลอ เราก็ไม่เพง่งถ้าเผลอก็สุดตรงไปข้างย่อหย่อนเรียกว่ากามสุการิการิโยกถ้าเพ่งก็สุดตรงมาข้างตึงเครียดบังคับกายบังคับใจเรียกอักตากิลมัฏฐานโยกตรงนี้ไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยท่านพ้นมาได้เนี่ยเพราะไม่หลงไปสู่สุดตรงสองข้างเนี่ยภากอยู่กระเพียนอยู่นี่เราจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้า เรา้องมาฝึกจิตให้มันเป็นผู้รู้ไม่สุดโต่งไปสองข้างข้างย่อหย่อนกับข้างตึงเครียดวิธีฝึกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุโทโธก็ได้จริงๆกรรมฐานอื่นก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้วพุโทโธนี่ก็ง่ายดีไม่มีนิมิตแสนสีเสียงอะไรหรอกแต่กรรมฐานอื่นบางทีมีนิมิตขึ้นมา อย่างรู้ลมหายใจหรือทำกสินนะ์มันเกิดนิมิตเกิดนิมิตนะอยู่ใกลครูบาอาจารย์ดีไม่ดีเพี้ยนเอาเป็นหลงนิมิตลงแสงสีเสียงนิมิตจริงๆมีทั้งหกอย่างนะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพธรรมารมณ์มีหมดเลยแต่พุโทโธมันไม่มีนิมิตอะไรหรอกพุโทโธพุโทโธเป็นความคิด หรือนามะพาทาอะไรก็ได้สมัมมาอรหังเหมือนกันหมดอะ่ะกอเอ๋ยกอกไก่ขอไข่อยู่ในเล้าก็ได้รู้พ่อเกษตรมาสอนกอเอ๋ยกอกไก่ขอไข่อยู่ในเลา้าไม่เห็นต้องพุดโธเลยค <sendo> ิดอะไรที่จกใจคิดมาสักอย่างหนึ่งแล้วพอจิตขาดสตมิมันจะลืมเรื่องที่เราจกใจคิดจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ได้ง่าย เงินพุโทโธไว้อปลอดภัยดีถ้าอยู่ไกลครูบาจารนยะ์ครูบาจารย์สายบัดป่าน่ชอบให้พุโทโธถ้าเล่นลมเนี่ยมีเกิดนิมิตเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เห็นอดีตเห็นอนาคตได้เกิดหูทิพย์ใครคิดอะไรก็ได้ยินผีคิดก็ได้ยินเกิดตาทิพย์อยู่ที่อื่นก็มองเห็นจิตมันสนใจอยากรู้อยากเห็นเลยพุ่งพลุดไปดูที่นั้นเลย รู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาติได้รู้ว่าระจิตคนอื่นรู้ว่าระจิตเจโตเนี่ยคือจิตเข้าเศร้าหมองก็รู้จิตเขาผ่องใสก็รู้จิตเขามีราคาก็รู้จิตเขาไม่มีราคาก็รู้จิตเขามีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตเขาหลงก็รู้จิตเขารู้ตัวอยู่ก็รู้จิตเขาเป็นยังไงก็รู้ไม่ใช่รู้เรื่องที่เขาคิดนะเจโตปริยญาติเนี่ยรู้ ความรู้สึกของเขารู้ความรู้สึกของจิตของเขาส่วนเรื่องราวที่คิดนะี่เป็นที่ประโสนิได้ยินเรื่องที่เขาคิดคนละตัวกันพวกนี้อาศัยวาโยกสินสอนใหญ่นี้แล้วสนใจคิดกันใหญ่เลยสารให้พุโทโธไม่ค่อยเอานะพุโทโธอะไรปลอดไทยดีพุโทโธธรมโมสังโฆก็ได้ เมตตาคุณังอารหังเมตตาก็ได้อะไรก็ได้เมตตัญจ่าสัพโล ก, กัสมิงมานั้นสั้นพเอเยะอปริมาณัง น, นีิยาวไปนิดหนึ่งบางองได้ก็ท่องอันนี้หลวปู่ขาวท่านก็ท่องพุทธาเมตตังจิตตังมะมะพุทธาพุทธาทุพ า, าเวนะจับง่ายไหมบางองก็ท่องระโชหาระานังพระชังหรติอันนี้พระพุทธเจ้าให้ พระจุลปันธกะทองพระโชหารณังพระชังหรติลองนึกในใจสิพระโชหารณังพระชังหรตินึกด้วยสำเนียงที่หลวงพ่อพูดนะพระโชหารณังพระชังหรติไม่ใช่พระโชฮารนังพระชังหรตินี้ตึงไป หรือทำดัดจริตพระโชหารนางังพระช้างหารติใฟูงซานไปนะนะท่องอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งกาเอยกอไก่ข้อไข่อยู่ในเลา้าหลวงพ่อกเกษมท่องนี้นะสอนตัวท่านไม่ได้ท่องนะหลวงพ่อกเกษมเล่นกับสินไฟแต่เวลาท่านสอนกอเอยกอไก่คนตลกนะ คว่าท่านพูดเล่นที่จริงทํากรรมฐานได้ท่องไปสิก็อเอยก็ไก่ก็ไข่อยู่ในแล้วท่องไปเรื่อยๆแล้วพาจิตมันหลงก็่าลืมก่อไก่แล้วมคิดเรื่องฮอรนูคูบคิดเรื่องอื่นแล้วงั้นมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างนะบริกรรมอะไรไปก็ได้ปลอดภัยดี ไม่ช่บริกรรมใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้อนาปานสติก็ได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกจิตวุ่นวายรู้ว่าจิตวุ่นวายหายใจเข้าจิตวุ่นวายก็รู้ว่าวุ่นวายค่อยดูไปจิตสงบเพราะรู้ว่าสงบหายใจไปหายใจไปจิตลืมลมหายใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันอ้าวลืมไปแล้วกลับมาหายใจใหม่ตรงที่รู้ว่าลืมไปแล้วนอย่าดึงจิตคืนนะ เกือบร้อยละร้อยของักปฏิบัตินะฮะหุบหลงไปแล้วเนี่ยดึงคืนมานะั้นจะแน่นเต็มหน้าอกเลยอย่าดึงคืนจิตมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านดวงนะวั น, ว, นวันหนึ่งนั้นจิตหลงไปดวงหนึ่งไม่ต้องไปเอาคืนทิ้งไปเลยหลงแล้วแล้วไปะรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ไม่ต้องไปดึงคืนมาถ้าดึงคืนผิดเลยนะจะแน่นเต็มหน้าอกเลย เนีย่ยทุกวันต้องทากรรมฐานสัอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดหรือจิตมันหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเอย่ารู้ลมหายใจที่จิตไปเพ่งลมดูท้องพองยุบบางทีชี่กรนดิไปคิดบันทีจิตไปเพ่งท้องถามว่าดูท้องพองยุบได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ดูท้องเพื่อจะบังคับจิตให้นิ่งอยู่ที่ท้องดูท้องก็เป็นเครื่องอยู่ เหมือนก็ดูลมหายใจเหมือนกับท่องพุโทโธได้เป็นแค่เครื่องอยู่ของจิตเหมือนกันหมดนละ้กรรมฐานถ้ารู้หลักนะอะไรอรก็ใช้ได้หมดนะถ้าไม่รู้หลักอะไรก็ผิดหมดแนละพุโทโธก็ผิดหมดพุดโทโธแล้วบังคับจิตให้นิ่งก็ผิดแล้วแล้วค่อยๆฝึกไปนะจนได้ตัวผู้รู้อันนี้เป็นวิธีได้ตัวผู้รู้แบบที่ไม่ต้องเข้าฌานตัวผู้รู้เราจะมีอายุสั้นรู้แล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอ ที่จรงเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้วันหนึ่งมีเยอะแยะเลยแต่ถ้าสร้างผู้รู้ด้วยการเข้าฌานมาผู้รู้จะตั้งเด่นดวงอยู่ได้นานจะมีกําลังมากทรงอยู่ในอุปจารสมาธิอยู่ได้เป็นวันๆแต่ไม่เกินเจ็ดวันแต่อย่างของเราเนี่ยเผลอแล้วรู้เนี่ยมันเป็นคณิกาสมาธิชั่วขณะได้แค่นี้ก็บุญแล้วแค่นี้ทํำวิปัสสนาได้นะ แค่นี้บรรลุมาผลได้ลนะวเง้ยไปทํานะให้สอนเสียเวลาเปล่าๆนะต้องเอาไปทําจริงๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปหลงไปสองแบบหลงไปคิดเรื่องอื่นก็หลงไปเพ่งตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างคุณเชื่อขาวหลายๆนะนะั่นนหละเพ่งแล้วนะจะแน่นนะเอาต่อไปนี้เตรียมหลงนะ หันหน้าไปทางนั้นหันตัวไปดูซิจะหลงไหมตอนหันนะจะหลงกี่ขนาดหันไปทางนั้นไม่ต้องกลับหรอกพ่อเสียเวลา